ถามดิฉันเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแม้ใส่ชุดปกปิดเข้าวัดแล้วก็ไม่วายเป็นจุดเด่นและหลายครั้งรู้สึกได้ว่ามีพระให้ความสนใจบอกจริงๆว่ารู้สึกไม่สบายใจเป็นกังวลมากเพราะเริ่มเข้าวัดด้วยความศรัทธาในกรรมวิบากอยากทำบุญและไม่อยากเป็นตัวถ่วงความเจริญของพระหลายครั้งอยากเลิกไปวัดหรือแม้แต่ยืนใส่บาตอนเช้า พระเคยมีพระที่ท่าทางน่าเลื่อมใสจ้องมองดิฉันและดิฉันรู้สึกได้ว่าท่านมองอย่างชายมองหญิงขอคำแนะนาด้วยว่าดิฉันควรประพฤติทางกายหรือทําใจอย่างไรตอบก่อนอื่นพิจารนาว่าคุณไม่ได้ตั้งใจยั่วพระและมีความเข้าใจพื้นฐานอย่างดีมีศรัทธาในกรรมวิบากแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็ควรแก่การสบายใจได้แล้ว เพราะเมื่อไม่มีเจตนาก็ไม่ชื่อว่าเก่ะกรรมนั้นๆเราตกเข้ามาอยู่ในโลกของการรบกวนกันไม่มีทางที่จะมีคนอยู่ในโลกโดยปราศจากผลกระทบกับคนอื่นบุญที่ตกแต่งให้สวยสะอาดบาดใจก็มาเกิดจากใจที่สวยสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่กำลังเป็นอยู่นี่แหละปัญหาก็ไ่ตกอยู่กับคนเห็น ถ้าเขากระวนกระวายถ้าเขาไม่ฝึกตนระงับความกระสับกระส่ายกายใจก็คงเป็นเรื่องที่สุดวิสัยจะช่วยเหลือจริงๆคำแนะนำเพื่อให้สบายใจขึ้นคือลดความสวยลงด้วยวิธีแต่งกายเช่นใส่แว่นกันแดดโตโตใส่เสื้อผ้าหนาๆเชยๆแล้วก็ลดความน่าสนใจหลบหน้าอย่าสบตากับพระอย่ามาวัดคนเดียว ถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่าพูดกับพระให้คนอื่นพูดแทนการตั้งจิตไว้ว่าเราจะไม่ทำให้พระลำบากเราจะไม่เป็นเหตุให้พระเสื่อมจากบารมีธรรมเพียงเท่าเนี้ก็ประกันได้ครับว่าคุณเข้าวัดอย่างนางฟ้าที่จะเป็นนางฟ้าต่อไปและสูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นด้วยหากพยายามถึงที่สุดแล้วแต่ยังมีใครรอบสังเกตรอบสนใจยินดีในรูปของคุณ ก็ต้องยกให้เป็นธุระของท่านนั้นๆหรือคนคนนั้นเป็นแล้วครับพ้นจากขอบเขตความรับผิดชอบของคุณอย่างสิ้นเชิงแล้วการคงไว้ซึ่งความไม่สบายใจหรืออยากตัดสินใจเลิกไปวัดตอนสาวแล้วค่อยไปอีกทีเอาตอนแก่ไม่ใช่นโยบายเชิงกุศลที่งดงามแต่ประการใดเพราะใจลึกๆของคุณจะค่อยๆตั้งแง่ขยัในการเอาตัวไปอยู่ในที่ที่ดีที่ที่เจริญ ที่ที่เพิ่มความสว่างให้ตัวเองรุ่งเรืองขึ้นฉะนั้นขอสนับสนุนให้เข้าวัดต่อไปใส่บาตรต่อไปอย่าเลิกนะครับในโลกที่เต็มไปด้วยการรบกวนกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยคุณพยายามไม่รบกวนคนอื่นได้แต่คุณไม่อาจช่วยให้คนอื่นเลิกรบกวนตนเองการไม่มีคุณเข้าวัดสีค่คนใช่จะหมายความว่าวัดหมดเรื่องรบกวนเสียเมื่อไหร่ คุณไม่เข้าวัดหมายความว่าตัวคุณเองเสียประโยชน์แน่ๆ แ, แล้วก็ไม่ได้ไปเพิ่มประโยชน์ให้ใครแน่ๆครับให้ตายเธอสาตาเลยไม่เคยเธอใครยังไม่ว่าจะมองกี่ทีอีก ท, ทีก็โดนใจกดเธอหนักหน้า ร, รักจังจังอยาจะปลาตายจั มองราะว่าเธอ